พวกนี้ก็ทําอะไรไม่ได้เล ย, ยสิ่งที่เธอเห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทําไมว่าเพราะอะไรคนเหตุกข์ใครทในให้กันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทกต้องทนดูไร้เหตุผล